ท่านสาธุชนทั้งหลายสําหรับวันนี้ก็มาสนทนากับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องเทวดาลูกจ้างของทานาธิบดีกเศรษฐีสําหรับรายการนี้เห็นจะเป็นเรื่องของศีลานุสติกรรมฐาน <c oughs> ควรจริงจะเป็นศีลานุสติกรรมฐานในจาฆานุสติกรรมฐานก็ตามก็เป็นเรื่องของพุทธานุภาพทั้งนั้นว่าพอเรื่องศีลก็ดีเรื่องธรรมก็ดีที่เราจะรู้กันขึ้นมาได้นี้เราก็รู้มาจากพระพุทธเจ้า เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงทรงคุณควพระธรรมไปจําโลกที่มีอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใครสามารถรวบรวมเข้ามาได้อาศัยพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคุณควขึ้นมาแล้วก็นํามาแจกจ่ายแก่บรรดาเหล่าเราพุทธบริษัช ฉะนั้นรายการนี้จึงได้ได้ในได้ในรายการว่าเอ่อพุทธบูชามหาเตชวัณโตเหมือนกันเพื่อการบูชาพระพุทธเจ้าได้การปฏิบัติในศีลที่พระองค์ทรงตรัสย่อมมีอํานาจทําตนให้เป็นเทวดาได้เอเมลาบรรดาท่านพุทธบริษัท ฟังอาตมาพูดนะครับพูดกันแบบนี้แหละเพราะว่าอาตมานี่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็มีคนมาแนะนําว่าการภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆน่ะเป็นของไม่ดีเป็นจริยาที่ล้าสมัยเวลานี้เค้าเลิกแล้ว when อันเมื่อคอยยกยอดเอาความดีขององค์สมเด็จพระปฐพีแก้วในโยนทิ้งกันไปซิแล้วเขาบอกว่าไม่ทันสมัยสู่ปฏิบัติตามแบบใหม่คือแบบเบสิกไม่ได้การภาวนาว่าพุทธโธเป็นสมถะเค้าว่าอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้บรรลุมากผลแต่อาตมาเห็นว่าองค์สมเด็จพระทศพล บรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระมหากรุณามากจึงไม่อยากจะทิ้งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปไหนทั้งนี้ก็เพราะว่าบรรดาพระท่านหลายที่ได้อรหัตตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาท่านก็ยึดพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่ง แล้วก็ท่านเป็นพระอรหันต์ได้สําหรับวิชาความรู้ด้านใหม่อาตมายังมองไม่เห็นใครว่าเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นถ้าจะกล่าวว่าอาตมานี้นั้นเป็นแท่นเพลน 2 บาทอาตมาก็ยอมรับยอมส่งไปก่อนส่งไปเพียงกว่าจะเข้าถึงซึ่งนิพพานแล้วก็จะไม่ยอมละการส่งบาทประเภทนี้ ท่านนักปราชญ์ทั้งหลายจะว่าดีหรือไม่ดีก็ช่างว่าอาตมาบวชเข้ามากล่าวคําปฏิญาณว่าเป็นจะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่ยอมเป็นข้าหลายเจ้าบ่าวหลายนายตั้งใจว่าจะเป็นข้าของใครก็เป็นข้าของคนนั้นเป็นข้าขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสนาดีกว่าเป็นข้าของคนอัปรี เอ่อต่อทีนี้ไปเราก็มาคุยกันถึงเทวดาคนดีที่มีความเคารพในพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปโภสถศีลเขารักษาอุปโภสถเพียงครึ่งวันตายแล้วไปเป็นเทวดามีมเหศสหายใหญ่รอบภาษาวลีเขาอีกแล้ว คำว่ามเหศัคคานี่ก็แปลว่ามีศักดาคือมีเด็ดใหญ่ใหญ่ของแก่คนนี้ไปเป็นรุกขเทวดามีวิมานแปะอยู่ข้างยอดไม้จริงใดจริงหนึ่งก็ได้รุกขเทวดานี่ความจริงไม่ได้อยู่บนต้นไม้รุกขเทวดาไม่ใช่จริงจกทุกแก่ ไม่จะอยู่ตามกิ่งไม้เป็นได้เพียงว่ามีวิมานต้องอาศัยยอดไม้ถ้าเป็นต้นไม้ที่มีแก่นสูงเพียงคืบเดียววิมานของเทวดาก็อาศัยแปะเข้าไปได้แตะเข้าไปนิดเดียวเท่านั้นเปินอันว่าต้นไม้ 1 ไมต้นมีวิมานเทวดาประเภทลุกเทวดาได้หลายหลังนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัตร ความจริงเป็นอย่างนี้จะเข้าใจว่าลุกเทวดาเนี่ยต้องอยู่บนต้นไม้ห้อยโหนเป็นต้นบนต้นไม้อันนี้เข้าใจผิดนะมาคุยกันไปซึ่งเทวดาคนดีที่อาตมากล่าวว่าเป็นอาตมาเป็นเทวดาคนดีก็เพราะว่าท่านดีจริงๆดีตรงไหนและบรรดาท่านพุทธบริษัท วัยชายคนนี้เดิมทีเป็นมหาทุกขตะคำว่ามหาว่ามหานี่ไม่ใช่มหาบริญที่เรียนกับมันได้แล้วก็เค้าเรียกกันว่ามหาไม่ใช่อย่างนั้นมหานี่แปลว่าใหญ่ทุกขตะแปลว่าจนจนใหญ่หรือว่าจนมากนั่นเองคือไม่ใช่จนเล็กๆน้อยๆจนเบา และอันว่าในชีวิตของแก่ไม่เคยเจอกับความร่ํารวยความมั่งมีความสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตต้องประกอบกิจในการหาเลี้ยงชีพด้วยความยากแสนยากบังเอิญวันหนึ่งแกคิดขึ้นมาได้ว่าเราจะมาประกอบชีพอาศัยตัวเองเป็นสําคัญถ้ามันจะไม่ไหว การทํามาค้าขายคือตัดฟืนมาขายนี่บางวันมันก็ได้ดีบางวันก็มีราคาไม่มากพ่อค้าเขาพากันกดราคาว่าถือว่าเป็นคนจนยังอดมือกินมือเป็นต้นมันแสนลําบากจึงตั้งใจไปหาสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคท่านหนึ่งมีนามว่าอนาริพินิกะเศรษฐี ท่านผู้นี้เป็นประสูดาบรรมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบิชิตตมานเป็นอันมากสละทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่บำรุงพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานสร้างมหาวิหารถวายพระพุทธเจ้าที่เรียกกันว่าใบชีตวันคือสวนของเจ้าเขตเจ้าเขตนี่ก็แสนดีแล้วพระคุณ เป็นคนดีเป็นพิเศษทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าแกจะมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรหรือไม่ก็ไม่ทราบนี่ถ้าบรรดาท่านพุทธบดีศักดิ์ได้ยินเสียงเพลงแซกแล้วก็โปรดทราบเค้ามีงานใกล้ๆวัดเสียงเพลงมันลอยเข้ามาก็โปรดให้อภัยไม่ใช่ว่าสถานีวิทยุของเค้ามีเสียงแซกเข้ามาจากเสียงเพลงไม่ใช่อย่างนั้น เนี่ยเมื่อเป็นเวลาการที่อาตมาบันทึกเสียงส่งมามีเสียงรอดเข้ามาในห้องบันทึกพอห้องบันทึกไม่เรียบร้อยมันเป็นห้องนอนธรรมดาเป็นอนุวาทท่านโลเขตมีหน้าที่ธานาธิบดีกะเศรษฐีท่านไปซื้อสร้างจะสร้างวิหารถวายแต่ก็บอกให้ท่านอนาธิบดีกะเศรษฐีเอาเงินไปเกลี่ยพื้นที่ให้เต็ม ที่ไหนเป็นหลุมเป็นบ่อก็ต้องวางให้เสมอกันเอาเงินเหรียญไปเรียงเข้าไว้ที่เป็นบ่อก็ใส่ในบ่อให้เต็มแล้วก็เรียงขึ้นมาให้เสมอกับพื้นเหรียญด้านบนเต็มพื้นที่ก็ซื้อในเงินจํานวนเท่านี้มันหลาย 10 โกรดแล้วก็ยังต้องมาสร้างเสร็จแล้วต้องให้นามว่าอัชเชตวัน ไอ้นามเหหันเป็นชื่อของแกดูที่บรรดาท่านพุทธบริษัทนี่ความละยำของคนในสมัยนั้นที่มีความโลภจัดมันก็มีเหมือนกันไม่ใช่มีแต่ชาตินี้แม้แต่องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทนโทษแบบนั้นเค้าก็ยังสร้างความชั่วได้ถ้าสมัยนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเห็นใครเค้าคอรัปชั่นกัน ก็จึงคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของคนดีเกิดมาแล้วในตาบอดไม่เห็นความดีเอาไปว่าอย่างนี้ดีไม่ดีพวกคนโกงเค้าจะเกลียดเอาแต่ก็จ้างบ่ไรเราพูดกับพวกของเราเราไม่ได้พูดกับเขาเขาคงไม่ได้ยินเออได้ยินก็ตามใจเค้าจะด่าจะว่ายังไงมันก็เรื่องของเขา เป็นอันว่าท่านมหาเศรษฐีเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบำรุงพระสงฆ์และพระพุทธเจ้าเรียกกันว่าบำรุงพระพุทธศาสนาไม่ยิ่งย่อนไปกว่านางวิสาขามหาอุบาสิกาเวลาใดที่ไปบริหารทั้ง 2 ท่านนี้ที่จะมีมือว่างจากภัตตาหารเพื่อสงฆ์ไม่มี แรนอันวะมีความเคารพในองค์สมเด็จพระชินสีมากท่านมหาธุคตะได้ฟังข่าวความดีของท่านมหาเศรษฐีก็ตั้งใจคิดว่าถ้าเราไปเป็นลูกจ้างของท่านมหาเศรษฐีจะทํางานหนักก็ไม่เป็นไรความหวังที่ตั้งใจไว้โดยเฉพาะที่มันเป็นของจะมีผลแน่นอนก็คืออาหาร 匕 offic locaterNet hertz รูป uma estil de Empad drop one cam vnd i estil de camp única din cuenta r sociocat is a magic turn if you're at the hotel view of indom it at the night 它 snitch your route One day this time you were given to aości this is when you Rude to eat some kind of a Christ JOSHUA with it is much more than just to give off the children's story and if you're protested for this part when you are drawing experience the Lord comforted that your spirit is illustrazified because apparently his statement is no idea เธอนี่ไม่รู้ว่าเค้าเป็นยังไงกันตอนนี้เมื่อเธอไม่รู้ว่าเค้าดักษาอบรมสวดกันนี่ไม่เคยพบพระพุทธเจ้าเพราะเวลาจะพบมันไม่มีตอนเช้าเข้าป่าตัดฟืนเดินกลับมาบ้านเอาฟืนขายซื้ออาหารมากินบางวันก็ได้กินบางวันก็ไม่ได้กิน ไปหาพระพุทธเจ้าได้ยังไงก็ความยากจนเวลาบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเธอตัดสินใจว่าไปอยู่กับท่านมหาเศรษฐียังไงยังไงข้าว 3 เวลานี่ได้กินแน่ถึงงานจะหนักแค่ก็ไม่ว่าอะไรได้กินข้าวก็แล้วกันค่าจ้างไม่สําคัญต้องการได้เพียงอาหารทรงกายเท่านั้น เป็นอันว่าตัดสินใจแล้วก็เข้าไปหาท่านเศรษฐีขอรับภาระเป็นลูกจ้างท่านมหาเศรษฐีก็บอกว่าตําแหน่งหน้าที่อย่างอื่นมันไม่มีเวลานี้มีหน้าที่อยู่อย่างเดียวที่ขาดคนคือคนตัดฟืนเธอจะรับได้ไหมอมหาตุกตะคนนี้แกตัดฟืนซะจนช่ําแล้ว อ๋อบอกว่าไอ้จิบเดิมแกก็ไม่ดักใจก็ก็เลยบอกว่ารับได้เจ้าขาเมื่อแกรับได้ท่านมหาเศรษฐีก็ให้บริโภคอาหารเมื่อแกบริโภคอาหารแล้วแกก็ถือขวานเข้าป่าไม่ทราบว่าเวลานั้นมันเป็นเวลาที่เขารับสาวโบสถ์กันตอนนี้เมื่อเวลาเย็นพอกลับบ้าน เห็นบ้านนี้เงียบสงัดคนในบ้านนั้นนับเป็นจํานวนร้อยจํานวนพันเวลากินอาหารในตอนเช้าเสียงเอะอะวุ่นวายคนไหนก็ต้องการแกงคนนี้ต้องการแกงกับคนนี้ต้องการข้าวเป็นหน้าที่ของแม่ครัวจะต้องจัดหาให้ขาดอะไรก็จัดหาให้เด็ดสะดวดสะดวยเร็ว ในเมื่อตอนเย็นเธอกลับเข้ามาปรากฏว่าเงียบสงัดก็แปลกใจเข้าไปหาแม่ครัวแม่ครัวก็บอกว่าเราจัดอาหารสําหรับท่านไว้ที่เดียวเท่านั้นและก็คนเดียวท่านมหาธุคตะสงสัยถามว่าคนอื่นน่ะเค้าไม่กินข้าวเย็นกันหรือบ้านนี้น่ะแม่ครัวก็เลยบอกว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถ ที่บ้านนี้ต้องรักษาอโบสถกันหมดทุกคนแม้แต่เด็กเล็กที่กําลังกินนมอยู่หลังจากเที่ยงแล้วท่านมหาเศรษฐียังให้บวชฝากไม่ยอมให้อาหารอย่างอื่นนอกจากนมเป็นเครื่องบริโภคเท่านั้นที่จะกินได้อีจัดว่าเป็นเพศัตว์ไม่เป็นไม่ใช่ประเภทอาหารท่านมหาธุคตะได้ฟังอย่างนั้นก็แปลกใจว่าอี มีฉันคนเดียวน่ะเลยถามแม่ครัวว่าที่ไม่รู้จักรักษาอโบสถกับเขาแม่ครัวก็พูดแบบคนใจดีว่าท่านเป็นคนใหม่ของบ้านนี้นี่ท่านจะรู้ระเบียบประเพณียังไงได้ตอนเช้าท่านมารับประสาเป็นลูกจ้างท่านมาหาเศรษฐีเมื่อท่านมาหาเศรษฐีรับแล้วถ้ากินข้าวแล้วท่านก็เข้าฝา ท่านก็ไม่รู้จริยาของบ้านนี้ว่าเขาปฏิบัติกันยังไงเป็นอันว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านจริงข้าวเสียก็แล้วกันเรื่องอื่นไม่ต้องถามท่านเหนื่อยมาถ้ามาหาทุกขตะจึงไม่คิดในใจว่าเอ๊ะบ้านนี้นี่เขาดีกันทุกคนแล้วเราเองจะกลายเป็นคนทรยศนต่อแต่บุคคลเดียวมันจะใช้ได้ที่ไหน จึงตัดสินใจว่ายังไม่กินข้าวก่อนจึงถามแม่ครัวว่าอุโบสถศีลน่ะมันเป็นยังไงครับปฏิบัติจะยังไงแม่ครัวก็บอกว่าเล่าอุโบสถศีลเรารู้เหมือนกันแต่ว่ารู้เล็กน้อยเป็นแค่ศีลขาบท 8 ที่พระพุทธเจ้าสั่งแนะนําให้รักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเป็นปกติอุโบสถ ถ้าเป็นปริจารคาระโอโบสถก็รักษาก่อนวันพระ 3 วันหลังวันพระ 3 วันกับวันฟ้าอีกวันหนึ่งรวมเป็น 7 วันถ้าเป็นปริหาริยะโอโบสถก็รักษาไม่มีกำหนดเป็นเดือน 2 เดือนเป็นปีหรือตลอดชีวิตก็ได้แต่ว่าเรื่องโอโบสถนี้จะมีอานิสงส์เป็นประการใดเราไม่ทราบนักขอให้ท่านไปหาท่านมหาเศรษฐีก่อนแล้วกัน เขาก็เลยยังไม่จึงเข้าก่อนย้อนไปหาได้มหาเศรษฐีขอสมาทานอุปโสธสินแต่แต่ว่าการสมาทานอุปโสธนี่ก็ผ่านกลางวันกันมาแล้วเหลือแต่กลางคืนทีเรียนถามได้มหาเศรษฐีว่าถ้าข้าพเจ้าจะรักษาอุปโสธสินเพียงครึ่งวันจะมีประโยชน์ไหมแต่มหาเศรษฐีก็เลยบอกว่าขึ้นที่ว่าความดี มีอานิสงส์ใหญ่ย่อมไม่ประกอบบริการเราจะรักษาเต็มวันหรือครึ่งวันก็ได้บุญทั้งนั้นได้บุญเหมือนกันฉะนั้นเขาจึงขอให้ท่านมหาเศรษฐีสอนให้เขาสมาทานอุโบสถอัลมหาเศรษฐีก็ให้สมาทานอุโบสถตามความประสงค์ คั้งเมื่อเขาได้มาทานุโบสถศีลแล้วเค้าก็กลับไปรักษาอโบสถศีลตามศีลขาบท 8 ประการอย่างเคร่งครัดเป็นอันว่าอาหารเย็นวันนั้นเค้าไม่ได้กินแล้วก็ไปทํางานหนักในป่าเวลาตอนดึกประมาณยาม 3 ลมมันก็กําเริบพวกร่างกายขาดอาหาร มีอาการเป็นไข้หนักบรรดาคนใช้ทั้งหลายทราบก็มาบอกท่านมหาเศรษฐีแต่มหาเศรษฐียังได้นําอาหารรสอย่างดีมีรส 5 อย่างที่เรียกกันว่าข้าวมธุปายาตที่ท่านมหาเศรษฐีบริโภคเองซึ่งคนใช้ทั้งหลายยากมักที่จะได้บริโภคเอาไปให้เขาขอร้อง อวพภบริษัดูก่อนบุรุษผู้เจริญเห็นไหมบรรดาท่านพุทธบริษัท่านมาหาเศรษฐีท่านเป็นปโสดาบันท่านพูดไม่ช้ำคนใช้มารับใช้ท่านท่านเรียกว่าบุคคลผู้เจริญบุรุษผู้เจริญมาดูก่อนบุรุษผู้เจริญจงบริโภคอาหารเสร็จเถอะ จะดำรงดอยังส่งอยู่แล้วก็สามารถที่จะรักษาความดีต่อไปได้ขึ้นอยู่ว่าศีลเราจะรักษาอะไรก็ได้ขอให้ท่านตั้งใจบริโภคอาหารให้ร่างกายทรงตัวแล้ววันหลังเราตั้งใจรักษาใหม่ก็ได้แต่แต่ว่าท่านมหาทุกตะนี่ก็แสงแจดใจเด็กอาชิษในใจ ว่านี่ความดีคืออโบสถสิงห์เค้ารักษากันได้ตลอดวันถ้าเรารักษาเพียงครึ่งวันแค่นี้ถ้าเราทนไม่ได้ก็ปล่อยให้ตายเสียเลยดีกว่าจึงไม่ยอมรับทานอาหารเราก็ถ้ามาหาเศรษฐีว่าความดีเพียงครึ่งวันแต่ข้าพเจ้ารักษาไว้ไม่ได้นั้นข้าพเจ้าก็ขอยอมตาย ท่านสุหาสถีอ้อนวอนหลายครั้งบอกว่าอย่าทําอย่างนั้นเลยขึ้นชื่อว่าศีลอย่าไม่จํากัดการไม่จํากัดสมัยเวลานี้ยอมขาดปิโกฏินิวิกาลโภชนาเวคือในข้อที่เรียกว่ากินอาหารแต่ว่าข้ออื่นมันยังอยู่ความดีในศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมครูเรายังมีโอกาสปฏิบัติได้อีกมากถ้ามีชีวิตอยู่ ร่างกายมีความดีไปยิ่งกว่านี้ขอเธอจงบริโภคอาหารเสียเถอะท่านมหาทุกกตะก็ไม่ยอมไม่ยอมกินใดที่สุดท่านมหาเศรษฐีก็จนใจต้องกลับเธอก็ตั้งใจกำหนดเอาจิตจับอยู่ในโอโบสถศีลเป็นปกติเรียกว่าศีลานุสติกรรมฐาน ยอมสินลมปราณดีกว่ายอมสิงขาดแม้แต่สิกขาบทเดียวความจริงถ้าจะเค้าจะปล่อยให้สิงขาดสิกขาบทเดียวในข้อว่าวิการโภชนาเวเพื่อกินอาหารในเวลาวิการอันนี้ความจริงมันไม่มีโทษหนักไม่มีโทษถึงอบายภูมิแต่ละขาดในฐานะเป็นพรหมจรรย์นิดหน่อยเท่านั้น ได้ 7 ตัวเท่านั้นยังยันให้เขาเกิดปรสวรรค์ได้แต่ว่าอาศัยน้ําใจของเขาเด็ดขาดที่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่ยอมรักษาศีลดีกว่ารักษาชีวิตยอมตัวตายดีกว่าศีลตายหรือว่าศีลขาดเป็นอันว่าใจของเขาจับอยู่ในศีลเป็นปกติพอเวลาใกล้รุ่ง ก็ปรากฏว่าชีวิตของเขาต้องสิ้นชีพทันทีดวงจิตนี้ออกจากร่างกายว่าร่างกายทนความขาดอาหารไม่ไหวปัจจัยในร่างกายทั้งหมดไม่ทํางานมีลมปราณสิ้นแล้วอาศัยที่เขามีความเคารพในคําสอนขององค์สมเด็จพระธิบดีแก้วที่เรียกกันว่าอโบสถสินเพียงครึ่งวัน แต่ความจริงนี่เขาครบไม่ถึงครึ่งวันนะมันค่อนวันถ้าไม่ใช่มันค่อนของครึ่งวันก็ยังไม่ทันสว่างแต่ว่าจิตใจของเขามั่นอยู่ในศีล 8 เพื่อการที่เรียกกันว่าอบสถศีลด้วยอํานาจความดีเพียงเล็กน้อยเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเขาจิตเมื่อจิตออกจากร่างแล้วเขาก็ไปเกิดเป็นรุกขเทวดา มีวิมานงามสง่ามีธิปสมบัติมากในกลางป่าลึกทางผ่านไปกรุงอุเชนีมาในกาลเวลาหนึ่งปรากฏว่าบรรดาท่านฤาษีผู้ทรงอภิญญาสมาบัติ 500 ท่านด้วยกันทราบว่าองค์สมเด็จพระวิชิตตมานบรมไสยศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับสอนพุทธบริษัตรอยู่ในกรุงอุเชนี ซึ่งมีพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์พระบาทท้าวเธอทรงปกครองจึงได้พากันเดินทางไประหว่างทางเห็นต้นไทรใหญ่ซึ่งมหาทุคตะผู้จอมใจและในการรักษาโบสถ์ปรากฏว่าเป็นรูปกะเทวนารอยู่ที่นั่นเห็นพุ่มไพรเอ่อพุ่มไทรสวยดีแล้วจึงได้เข้าไปพักอาศัยต้นไทรเป็นที่พักร่มเงา พอให้สบายใจขณะที่ฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นนั่งอยู่ก็คิดในใจว่าต้นไม้ใหญ่ต้นนี้มีรุกขเทวดาถ้าหากว่าเรามีเราได้ทารุกกเทวนาจะส่งข้อเรานําน้ําให้เราบริโภคก็จะเป็นความดีเพราะกระหายมาก เมื่อบรรดาฤาษีทั้งหลายนึกเท่านี้เทวดารู้ใจก็บันดาลให้น้ําปรากฏสายสะอาดดื่มกินดีฤาษีทั้งหลายได้ทั้งกินทั้งอาดชําระร่างกายเสร็จมีความสุขนอนพักสบายเมื่อสบายแล้วก็นึกต่อไปว่าเทวดาบันดาลผลไม้ให้เราได้กินอีกก็จะดีเวลานี้มันหิว เทวดารู้ใจก็บันดาลผลไม้ให้ปรากฏเทวดาก็กินอิ่มหนำสำราญออกขอโทษพระฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นก็กินอิ่มหนำสำราญคือคิดถึงความดีของเทวดาเพราะเราอยากจะได้เห็นหน้าเทวดานักท่านมีบุญญาธิษฐานฤทธิ์มากมายเช่นนี้มีรีมารสวยสดงดงามก็อาศัยบุญบารมีอะไรเป็นปัจจัย เทวดาก็แสดงตัวปรากฏฤาษีผู้แก่นั้นก็เพราะว่าท่านทั้งหลายได้ปัญญาสมาบัติมีทิพยจคุญาณเห็นผีเห็นเทวดาได้มีถึงแม้ว่าจะเป็นคามเป็นฤาษีท่านก็ทําได้แต่พระของเราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาทําไม่ได้มันก็สวยเต็มทีเหลวฤาษีที่ยังไม่เข้าถึงพระพุทธศาสนา เป็นอันว่าการสร้างทิพยคุยานเป็นของไม่ยากมฤสีแสดงตัวให้ปรากฏท่านมาอฤๅษีขอโทษเมื่อบรรดาท่านธรรมดาแสดงตัวให้ปรากฏฤๅษีก็ถามว่าในสมัยเป็นมนุษย์ท่านบำเพ็ญบุญญาธิการอะไรไว้สมบัติใหญ่จึงปรากฏแก่ท่านเทวดาถูกถามก็อายบอกว่าคุณพระคุณเจ้าอย่าถามเลย ผมมีบุญญาธิการเล็กน้อยเท่านั้นโสภณคุณเจ้าไม่ได้แต่กุลเจ้าผู้เป็นฤาษีทั้งหลายถึงแม้ว่ายังไม่พบองค์สมเด็จพระจอมไตรบริโภมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงทรงฌานสมาบัติเป็นฌานโลกีได้ปัญญาสมาบัติแบบนี้เมื่อลาตายจากความเป็นคนท่านก็เป็นเทวดาชั้นสูงและเป็นพรหมได้สำหรับผมนี้เมื่อสมัยที่เป็นมนุษย์ มีบุญญาธิการเล็กน้อยจึงได้มาเกิดเป็นลูกของเทวดาท่านนี้เสียงนั้นหลายอยากจะทราบประวัติก็บอกว่าจงอย่าอายเลยท่านมีความสุขและท่านมีคุณกาลมมากสามารถบันดาลทุกอย่างที่เราต้องการได้ก็จัดว่าเป็นความดีเหลือหลายเป็นความประเสริฐแล้วขอได้บอกเราเธอท่านเทวดาจึงได้บอกว่า ตามประวัติที่กล่าวมาคือเป็นคนชายข้ออนาธิบดินทกเศรษฐีรักษาอุปโภคในพุทธศาสนาเพียงครึ่งเดียวนิดเดียวชั่วเวลาระยะเวลาเป็นค่อนคืนเพียงเท่านี้เราก็ตายมาเกิดเป็นลุกเทวดานานได้เศรษฐีทั้งหลายเหล่านั้นเอ้ยขอโทษฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นฟังก็ปลื้มใจ เพราะเดชบุญบารมีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอานุภาพมากถึงเพียงนี้อยู่หรือนี่คนนี้ก็ถืออุโบสถศีลเพียงครึ่งวันเท่านั้นยังเกิดเป็นลุกเทวดาได้ฉะนั้นบรรดาฤาษีทั้งหลายจึงเกิดธรรมปีติมีความพอใจอยากจะเห็นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้น ยังได้พากันล่าเทวดาไปเข้าพระพุทธเจ้าที่เมืองกรุงอุเทนีเมื่อไปถึงแล้วก็เฝ้าองค์สมเด็จพระชินสีได้สดับพระธรรมอาทิธนาจบเดียวก็ปรากฏว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้สําเร็จอรหัตตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาเอาล่ะบรรดาท่านพุทธบริศททั้งหลายโดยทั่วหน้าจะอธิบายอะไรมันก็ไม่ไหวแล้วเพราะเวลาหมด เป็นนำเรื่องราที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ปรากฏบอกมาแล้วในตัวว่าความดีความชั่วที่มีผลเป็นประการใดปรากฏแล้วในเรื่องของท่านน่ะท่านที่กล่าวมาเวลานี้สัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วก็ต้องขอลาบรรดาท่านพุทธบริษัทกราบก่อน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี